أعوذ ب ا ل له من الشيطان الرجيم ب سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا ع ل م ل ن ا อิลลามัลลัมต์นา ا, إن أن أ ل นค์ ل ันทัลกา ح ิมุลฮะคิมรับบิชรฮ์ลิ صدر ิวยัสซิร์ลิอัมริวย حلو العقدة من لساني القاو قاو ل ل ل ه م ن ف اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ا و َ ب ن ا ظلمنا أ ف ن ا وإن لم ت غ ر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ินวันนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนรับยับแล้วนะครับอาทิตย์หน้าก็จะเข้าสู่เดือน شعب านเร็วมากเลยนะครับเราเหลือเวลาอีกสี่ครั้งในการที่จะมาเรียนอย่างนี้อินชาอัลลอฮเราช่วยกันพยายามนะครับให้ครบให้จบตอนที่ระมดอนจะมาถึง วันนี้นะครับสุรทุซุครุฟเราจะเริ่มอ่านตั้งแต่อายัดที่46 47 48อ่านสัก เ, เราตัดซีดตั้งแต่46จนถึง60 56นะครับแต่ว่าเราจะอ่านอ่านสัก5อายัด อินชาอัลลอฮ์ถึงห้าสิบแต่ว่าตับซียจนถึงห้าสิบกเลยเป็นทานนะจะได้แบ่งให้ครบพอดีนะครับห้าตอนนะครับนี้ตอนหนึ่งแล้วก็อีกสี่ตอนที่เหลืออินชอนเราจะพยายามให้จบก่อนที่เราเจะต้อนรับเดอนรมฎอนกันนะ อที่สี่สิบนะครับจะรอทานก่อนไหมหรือว่าเอาเลยนะเอาเลยดีกว่านะอูะนะ๊อุบนะิลาลาฮิมินัชชัยตานอัลรดิม ولقد ََ أرسلنا َ موسى َ بآياتنا ِ إلى فرعون َ و َ م َ ل ا ئ ِ ه ยาตัวนี้ไม่ออกเิียงนะครับมีเครื่องหมายข้างบนอยู่ไม่ต้องออกซิเจนฟะโَวะอินที่รับสู่ลูรับบิลก ا ลามีนฟَโควะอ س َ ل َแลม ا ج َ ا ء َหุ م ْ بآياتنا إذاهم منها يضحك وما ا, إ <ص ح ة> و نريهم ج ีَ่ خ َ ل ะ ن รา ب ละเราและเราและเ คือบ่มาเหตัดัอ فَلَمَّ كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ ي َ ن ْ ك ُ ت ُ و ن َัยัลัยั ل ح ยั ل ั ل ัยั ل ัยั ل ัยั ل ัยั ل ัยั ل ัยั ل ัยั ل ัยั ل ที Allah ala, ok ah on, ่อัลลอฮฺทั awa, ้งละยกมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาพวกผุชริกินเรื่องราวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามหลังจากที่อายัดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจบด้วยคําสั่งที่อัลลอฮฺทั้งลาบอกว่าว่าอัลมันอัลสลนามิงกับลิกามิรุสุลีนลองถามดูซิว่าประชาชาติก่อนเจ้าเนี่ย ajalna لمن ajalna من د น ن الرحمن آل حسن يعبدوا ให้ถามดูว <robust> <give> <simple> ่าประชาชาติก่อนที่ท่านนบี m u h ม m m a d sallallahu alaihi wasallam จะมาเนี่ยพวกเขาชิริกกันด้วยหรือนบีก่อนก่อนสั่งให้เคารพพักดีสิ่งอื่นนอกจากละตัลลาด้วยหรืออ่าถ้าคนเหล่านี้คิดจะเอาข้ออ้างในการที่พวกเขาตั้งภากีต่อล l l a h ไม่ยอมศรัทธาต่ออัลลอ์เพราะคิดว่าประชาชาติก่อนหน้าที่พวกเขาจ ะ, ะได้รับการแต่งตั้งให้ท่านนาบีมาบอกเล่าแก่พวกเขาเนี่ยประชาชาติก่อนหน้าพวกเขาเนี่ยเคยเป็นคนที่เคยตั้งปักีมาก่อนพวกเขาจะได้อ้างคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นลองกลับไปถามดูว่าเรื่องราวของคนก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรอายัดมันจบอย่างนั้นพอเราะลาพูดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บพระองค์ก็เล่าเรื่องของมูซามาเลย เรื่องราวของท่านนบีมูซาอลัยฮิสสลามมาชาอัลลอฮเป็นเรื่องราวที่อัลกุรอานกล่าวถึงไว้หลายที่หลายตอนมากมากตั้งแต่สุรัตุลบากระจำไหมครับสุรัตุลอาระสุรตุชอาระรตุลกซสเนื่องจากว่าอะไรทาไมเรื่องของมซานมีเยอะจังเลย ก็อะไรรู้ไหมครับเรื่องราวของนบีบางคนเนี่ยพูดนิดเดียวอ่าเรื่องราวของนบีสมมตินบีอะไรนบีอิเลียสแทบจะไม่มีเลยอ่านบีที่อยู่ในท้องปลานบีอะไรนะนบีนบียูนุสมีนิดเดียวมากนบีคนอื่นๆไม่ได้เยอะเหมือนกับเรื่องราวของนบีมูซาอะลัยซัลลัม เป็นข้อสังเกตให้กับพวกเรานะเพราะว่าพวกของนบีมูซาเนี่ยเป็นพวกที่ปัญหาเยอะมากาถ้าจะถ้าจะนับว่าเป็นประชาชาติที่ดื้อรั้นที่สุดก็น่าจะได้ปัญหาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกิบทีพวกอัลอัคบาตผู้ติดตามฟิร์อวเผาของฟิร์อาวอันนี้พวกกึ่งตีพวกอยคุบอันนี้เป็นชนดั้งเดิมในเมืองอียิปต์ พวกนี้ถือฟิราลเป็นพระเจ้าของพวกเขาพวกนี้ก็มีปัญหาเยอะหรือไม่ว่าจะเป็นพวกบันนีอิสราเอลบนีอิสราอลก็คือพวกของโมเสเองเอาของมเสเองก็มีปัญหากับมูสเยอะมากมีปัญหาเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเรื่องราวของมเสนี่ก็เลยได้รับการพูดถึงในอัลกุรอานหลายที่หลายตอนเช่นเดียวกันกับในสุรทศุครุฟ Allah ตะลายกเรื si a, i, ่องราวของนบีมูซามาเป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาพวกผุ้ริ ikit ดูซิว่ามูซาเคยมีเหตุการณ์อะไรกับฟิรอาอ Allah ตะลาเล่าให้ฟังว่าเราดอารสัลน์มูซาด้อัลัตินาไปฟิรอาอนและมเลอห์แล้ก็ตอบนนรอรูรลกท เราได้ส่งมูสาแท้จริงแล้วเราได้ส่งมูสาด้วยอายาตก็คือด้วยองค์การของเราด้วยวายูของเราหรือด้วยมกิจจาตที่เราให้กับมูสสเนี่ยไปหาใครไปหาฟิร้างและบรรดาพวกลิ้วล้อมาละมาละหมายถึงคนที่อยู่ข้างๆคนที่เป็นเสนาบดีคนที่เป็นที่ปรึกษาของฟิรานะ้างน่ะ ลักษณะใกล้เคียงกันไหมกับพวกมุชลิมกในมัคกะฮ์ฮะฮามูซ า, าไปหาฟิรอ์อานน บ, บีมุฮัมมัดไปหาใครไปฮะมุจจัฮัลไปฮะมุจจัฮัลไปหาอบลลอฮ์ไปห า, ปหา อ, าหาอาั ล, อลวะลีติบุลมุกีรอซึ่งเป็นคนระดับสูงในมักกะและพวกนี้อุมะละอีฮีมีพวกพร้องไหมถ้าฟิรอ์อานมีพวกพร้องบรรดาหัวโจกในมักกะมีพวกพร้องหรือเปล่าก็มีพวกพร้องเหมือนกัน เพราะฉะนั <unlucky> ้นภาพมันใกล้เคียงกัน فقال إني رسول رب العالمين มูซากฟะล่ากับฟิร์อนลว่าแท้จริงแล้วฉันเป็นรอซูลจากพระผู้อภิบาล رب ล ل ع ا ل م ي ن พระผู้อภิบาลแห่งสากลสากลละโลกเหมือนกันไหมอับดุลโมฮัมหมัดมาพูดกับเอ่อพวกโกรชเหมือนกับที่มูซาพูดกับฟิร์อาลไหมเหมือนกันดิ subhanallah เเละมันเกิดอะไรขึ้นฟะลัมา ا ء ه م بآياتنا ุมมิ م م ن ย ا يضحكون ภาพเนี่ยช็อตต่อช็อตเลยเอามาเทียบกันได้เลยมูซาเอาโมจิจัตเจ้าละตั๋ลาให้เอาอายะต์เจ้าละตั๋ลาให้ไปด่วัชหรอเอาไปด่าวพวกขาหรือเอา ปรากฏว่าคนเหล่านั้นเป็นยังไงยาดากูนบวระเยอะเหมือนกันไหมกับที่พวกอุรชทกับท่านนบีสุลต่าลฮอลวะสัลลัมไม่มีแตกต่างเลยฟิรอาห์บวระยอะมูซ่าอุไรษก็บวระเยอะมุฮัมมัดสุลต่าละฮ์อัลเลาะวะสัลลัมอ่าสังเกตดูให้ดีนะอัลลอฮฺแต่ละใช้คาว่าบีอาญาทีนึเป็นพระหูพระโ แสดงว่าเครื่องหมายหรือสัญญาณที่บ่งบอกถึงความสัต์จริงในการเป็นรอซูลของมูซาที่อัลลอฮฺส่งให้มูซาไปเผยแพร่กับพรกเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวไม่ได้มีแค่อันเดียวมีหลายอย่างมากที่สัยอ า, อ า, ยานย่ำหนอย่างน้อยมีข้าอย่างที่มูซาเอาไปมาะจีสัตในสมัยนับมีมูซาพวกเราเคยได้ยินไหมมีอะไรบ้าง ในตเรี่ในส ورة อุลอาอรอบเนี่ยมีเรื่องราวมีทั้งเขากุมมลวัฏฟั ด, ดวัฏจมวัฏจราดมีทั้งเขามีทั้งกบมีทั้งเลือดมีทั้งตะกตัตนมีทั้งไม้เท้ามีทั้งผาทะเลแดง น, นี่คืออายะาที่มูซาเอาไปให้คนเหล่านี้เ็นแล้วแต่ละอายตาที่เอามาให้ มาให้คนเหล่านี้ยอมรับเนี่ยไม่ใช่สัญญาณเล็กๆ เ, เป็นสัญญาณแต่ละอย่างเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ผิดแปลกไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมของคนอีบในส ม, สมัยนั้นเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างสมมติว่าเอาอย่างที่หนึ่งมาไม่รู้ว่าอันไหนเรียงลําดับยังไงนี่ผมก็มไม่แน่ใจว่าเรียงลําดับยังไงแต่ลว่าแต่ล ะ, ล ะ, ละสมสมมติส่งเฮามา เขามาเป็นฝ um <laughs> an, ูงเลยอ่ะมาคึกมีเอาทุกคนเลยในบ้านเนี้ยนี่ไม่พ้นพมมันสุภานอัลลอฮ์แปลกไหมพวกเราเคยเจอไหมเป็นเขากันทั้งหมู่บ้านนี่อันนี้ไม่ใช่เฉพาะหมู่บ้านทั้งเมืองสุภาพอัลลอฮ์น่ากลัวไหมถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆเผาบุกเมืองมาเราจะอยู่ยังไงเกาหัวกันทั้งวีทั้งวันน่ะน่ากลัว แต่พอเหาหมดไปอ่ะแต่ละอย่างที่มาเนี่ยคนพวกนี้ไม่รู้จะทํำยังไงไปเอาพวกพ่อหมอนักมายากลนักสยศาสตร์ของฟิรลอา์ ม, มาช่วยจัดการปัดเป่าทําไม่ได้สุดท้ายก็ต้องไปหาโมซาไปหาหมูซาก็คนเหล่านี้ก็ถือว่ามูซาเนี่ยเป็นพ่อหมอคนหนึ่งเพราะว่านักสยศาสตร์ในสมัยนั้นเป็นคนที่มีเกียรติในสายตาของพวกพวกนี้ นะเนี nah, ya, awa, uh ah ่ยอายะนี ir, ้ที่อัลลอฮฺตร nah, nah, ัสถาว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าเป็น่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าน่าว่าน่าว่นี่เว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าวัาว่าว่าว่าว่าว่มูซาวโดยการยกตําน่าว่ให่กับมูซาันนี้ก็่าวหมื่นกันนะที่ับเซตเป็นอย่าี้เพราว่าว่อ ข้หมอโมซาช่วยขอดุอาจากพระเจ้าของท่านต่อดูมรารยาทไม่ดีอะเราภาพอายัดไปละเดี๋ยวผมจะเล่าต่เล่าให้ฟังภาพรวมนะครับแต่ละอย่างที่มาเนี่ยสมมติอันแรกมาหนักแล้วมมซาก็ขอดุอาให้สุดท้ายบรรเทาทุกข์ลายออกไปหายไปแล้วดื้อต่อไม่ยอมศรัทธาต่อนะทำร้ายมูซาต่อ Allah ala, at, song song ni, min a min uh allah ala, song at, song ak, ab, a a ก็ส่งอายะอันที่สองมาอันที่สองเนี่ยหนักกว่าอันแรกวมานุรีหิมมินอายินอิลลฮิยอักบรุมินอุค a l a t a l a ไมได้ส่งอายะไม่ได้ส่งสัญญาต่างๆมาเนี่ยนอกจากว่าไอ้ที่มาที่ลําเนี่ยใหญ่หลวงกว่าหนักหน่วงกว่าอายะก่อนหน้านี้หนักหน่วงกว่าสัญญาันก่อนหน้านี้เป็นอย่างนี้มาตลอด ว่า خذناهم بالعذاب ل ع ل ه เราส่งการลงโทษมาอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้พวกเขาเีได้สำนึกนะครับส่งมาเพื่อที่จะให้สำนักจะได้ให้เกียรติมูซาจะได้ศรัทธาต่อสิ่งที่มูซาพูดแต่ปรากฏว่าไม่มีไม่ศรัทธามาครั้งที่หนึ่งก็ไม่ศรัทธามาครั้งที่สองก็ไม่ศรัทธาแล้วแต่ละครั้งที่มาเนี่ยอย่างที่บอกไปขอไปขอจากพ่อหมอมูซานะไปขอว่าพ่อหมอพ่อหมอ ช่วยขอดุอาจากพระเจ้าของท่านหน่อยแสดงว่าคนเ่านี้ไม่ได้ศรัทธาต่อล l l a เลยนะพระเรียกว่าพระเจ้าของท่านไม่ได้บอกว่าพระเจ้าของเราแสดงว่ายังไม่ได้เชื่ออัลลอไม่ได้นับถือว่าอัาาลลอเป็นพระเจ้าของตัวเองบอกว่าเป็นพระเจ้าของมูซาแต่ขอให้มูซานี่ช่วยขอดุอาจากพระเจ้าของมูซาก็คืออัลลอสุบฮานละอให้ hey, ช่วยคีคลายแล้วเราเนี่ย ถ้าสมมุติคลี่คลายช่วยแก้ปัญหาให้เราเนี่ยอินนาเนลโมแจดูเดี๋ยวเราจะเป็นผู้ศรัทธาตามเจ้าทุกครั้งที่มีปัญห า, าพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้แต่ทุกครั้งเจ้ารัตอลาลบลบล้างการลงโทษของพระองค์ด้วยการที่ท่านอ บ, บีมูสาขอดอยอาให้คนแล้วนี่เป็นยังไงไม่ศรัทธาซุบฮาน ہ, ัลลอฮ์กีครั้งอ่ะ กี่ครั้งอ่ะที่มเสาต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวสุดท้ายท้ายที่สุดฟิรอาอทำอะไรไม่ได้ละจนกระทั่งว่าฟิราวเนี่ยสุดท้ายฟิรอาอก็รู้แล้วว่ามันถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ด้วยความที่ว่าด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาของคนของประชาชาติในสมัยนั้นสุบฮานอัลลอฮ ฟิราอนเนี่ยเขาเรียกว่าเล่นกับมันสมองหรือว่าปัญญาของประชาชนของตัวเองพิราอู้ว่าอยังไงวานาดาฟิรอราอนฟีกูม์อ่าพัลเ ม, มาคาช์ฟดางห์มุลอาดัตอีซะห์มยันคุสูนทุกครั้งที่เรายกบททดสอบการลงโทษของเราออกไปคนเหล่านี้ก็ผิดสัญญานยผิดสัญญาไม่เคยทำตามที่สัญญาไว้กับกูสา ละฟิรอางก็คอยคุมจมูกคอยจูงจมูกประชาชนเหล่านี้ว่าอย่างไงวันดาฟิรอางุฟิร์อางิฟิรอางเนี่ยประกาศกับประชาชนของตัวเองว่าฟาคาลยาคาอุมิโอ้ประชาชนของฉันเอ๋ยโอ้ผู้คนของฉันเอ๋ยอะไรสลีมุลกุมิสระฉันไม่ได้เป็นกษัตริย์ของเมืองอียิปต์หรือเห็นไหม ลักษณะใกล้กันเลยคือมูซาไม่มีอะไรโมซาไม่ได้เป็นกษัตริย์มูซาไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตในเมืองเพราะฉะนั้นเป็นไปได้หรือที่จะมาเป็นผู้นําของพวกเราตั ก, กะเหมือนกันไหมกับพวกกุเรช์กุเรชเชื่อเหมือนกันกุเรชที่เคยบอกว่าพระธรมบัตรทำไมถ้าเราะจะให้ใครเป็นสักคนเป็นรอซูดทาไมไม่เลือกจากคนใหญ่คนให ญ, คใหญ่คนโตในเมืองนในเมืองมักกะไม่ต้องเลือกเด็กไม่สิ้นเปลี่ยนนั้นนมนี่ เพิ่งมาอยู่ในสังคมแบบนี้ด้วยเฟรดอัก็พูดคาเดียวกันนี่แหละนะครับกับเฟรดอัลยาเขาอไซาลิมุลกุมิสราฉันไม่ได้เป็นกษัตริย์ของเบงมเซเบงเเซเบงอีบปรากฏเลยวาิลอันฮารุตจรีมินทดมินติแล้วก็เน่วังของฉันเนี่ยสวยงามใหญ่โตแล้วข้างล่างนี่ก็มีแม่น้าไหลอยู่มีคลองมีกู กดฟองุดให้มันไหลเป็นเป็นราชวังสแสดงให้เห็นถึงความมั่งมีความยิ่งใหญ่ของตัวเองในโลกดุนีย์ฉันนี่แหละที่น่าจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้ดำของพวกเจ้าไม่ใช่มูซามูซาที่ไม่มีอะไรไม่มีตำแหน่งอะไรเลยอัฟฟัลตุบซีรูนพวกเจ้าไม่เห็นหรือเห็นไหมเนี่ยเล่นกับสติปัญญาแล้ว คนที่ไม่มีปัญญาก็จะหลงเชื่อคำพูดแบบนี้เพราะว่าในสายตาของมนุษย์ของคนทั่วๆไปเนี่ยใช้เกณฑ์ที่ตาของตัวเองมองเห็นอย่างเดียวใครที่รวยกว่าส่วนคนนั้นคนจะเป็นผู้นาใครที่หลอกว่าใครที่มีดุ尼亚ดีกว่ามีฐานะในทางดุยาดีกว่าก็ให้เขาไปนี่คือโดยทั่วไปนะครับ กฎเกณฑ์ของมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เอาดุนยามาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินไม่ได้ดูที่คุณค่าของของหัวใจไม่ได้ดูที่คุณค่าของคนแต่ดูที่เรื่องราวที่มันเป็นรูปเรียกว่ารูปลักษณ์ภายนอกอัลัย ah. าดุบิลละเพื่อเอาก็ใช้เกณฑ์นี้แหละในการที่จะไปสัมทับไปกดทับประชาชนของตัวเอง อ, อามานาเคย ฉันเนี่ยไม่ได้ดีกว่าหรอกหรือมินฮาัลลฮวมาอินจากผู้ชายคนนี้ที่ตำต้อยนะกล่าวหาว่ามูซาเป็นคนเป็นคนตำต้อยว่ลยยัคแดูยูบีนแล้โมซาเนี่ยนอกจากจะเป็นคนตำต้อยแล้วยังพูดไม่ชัดนะฟิราูนอ้างว่ามูซาเนี่ยพูดไม่ชัดมันมีเรื่องอยู่ นะครเพราะว่าตอนเด็กๆ เ, เนี่ยท่านนาบีมูซาเผลอไปกินถ่านโดยที่ไม่รู้ทําให้ลิ้นพองแล้วก็พูดไม่ชัดตอนเด็กๆฟิร์อาลก็เลยอ้างว่ามูซาเนี่ยพูดไปชัดมาตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นแต่อิบนาลกซีรถ้าเราไปดูในตับซีรอิบนาลกซีรเนี่ยอิบนาลกซีรเนี่ยโอตอบโต้หนักมากตอบโต้คําพูดของฟิร์อาล น, นะครับแทนท่านนาบีมูซาอิบนาลกซีร์บอกว่ากษิบ คำพูดของฟิลเอาเนี่ยเป็นคำพูดที่โกหที่บอกว่ามูซาเป็นคนต่ำต้อยไม่เลยมูซาเป็นคนที่มีเกียรติอเป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่มีรูปลักษณ์แข็งแรงมีกําลัง่ไม่ได้เป็นคนที่อ่อนแอเลยและคาพูดที่บอกว่าท่านนาบีมูซาเป็นคนที่พูดไม่ชัดโอเคตอนเด็กๆอาจจะไปมีเหตุการณ์ที่ว่าไปกินทานแล้วก็ทําให้ลิ้นพออะไรจริง แต่มูซาก็หายแล้วแล้วมูซาก็ขอด้อาอนต่อลระสุภานาตตะลาแล้วให้พระองค์ช่วยทําให้เอ่าปัญหาการพูดไม่ชัดเนี่ยหมดไปแล้วรู้ไหมว่าอะไรคือด้อาอนของท่านอับดุลโมซานี่ผมอ่านทุกครั้งเวลามามาตับซิดเนี่ยในสุรภพะมีอ้อนวอนของนบีมูซาอยู่อ่ารับบิชระฮลีอ่ารอบบิชระฮลีสดรี ว่าเสริลีอัมรีวะฮลูอลกุดตะมิลลิสานีฟะฮกอลิอันนี้จริงๆแล้วเป็นดวอาขนองนบบีมูซาที่เราชอบอ่านกันนะเวลาที่จะเรียนเวลาอะไรเนี่ยเราเอาเราบิชราฮีสซอตริยาอัลลอฮ์เปิดอก oh, ของฉันให้เข้าใจว่าเสริลีอัมรี ي, ขอให้การงานของฉันง่ายได้ตอนเนี้ยอบีมูซาจะไปพูดกับฟิลอาก็เลยอ่านดวอา น, นี้ขอให้อารกิจของฉันเนี่ยสาเร็จง่ายได้ ว่าลุลอัคต์อัมมิลิเซนีได้โปรดได้โปรดโปรดปมที่อยู่ที่ลิ้นของฉันหมายถึงว่าไอ้คาพูดที่มันจะตะกุบตะกัดจะจะจะจะชงักเนี่ยขอให้ละตาราทำให้มันลื่นไหลนี่คือด دعاء ของนายนูมุสเพราะฉะนั้นเอ็มลูกกซีรบอกว่าคําพูดของฟิร์เอลที่บอกว่ามูซาพูดไม่ชัดและยากาดิบีเป็นคําพูดที่โกหกละตาราทําให้หายละ ซึ่งตอนแรกท่านอับดุลโมสะก็ขอกับอัลลอฮฺตาลาบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยพูดไม่ชัดจริงๆขอให้อัลลอฮฺตาลาให้แต่งตั้งคนอื่นมาเป็นรอซูลแทนฉันแต่สุดท้ายอัลลอฮฺตาลาก็บอกไม่ฉันจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นรอซูลแต่ฉันจะให้ฮารูนพี่ชายของเจ้ามาเป็นรอซูลไปด้วยกันอับดุลโสะเคยเสนอให้ฮาลูนเนี่ยทําหน้าที่แทนตัวเองเพราะตัวเองพูดไม่ชัดก่อนหน้าที่จะขอดุอธร แต่หลังจากที่เป็นรซูสทั้งสองคนเนี่ยวัาแต่เราก็ทําให้พูดชัดแล้วก็บอกให้ทั้งสองคนนี้ไปหาฟิร์อาอเข้าใจไหมครับนะเข้าใจอี้นี้ไหมที่ฟิร์อาออ้างว่าวาเลกะดูยูบินมูซาคนนี้เนี่ยพูดก็ไม่ชัดน่าจะ เ, เป็นผู้นําของตัวเองในยังไงคําพูดนี้เป็นคําพูดที่โกหกเพราะว่านาบีมูซานั้นหายแล้วนะครับจากอาการพูดไม่ชัดแต่ ก็ยังพูดต่ออีกฟาโลุ ล, าลา่าฟิร์อาอุยังมีอีกนะ ม, มียังมีอีกฟาโลล่าอุลกีอาไลฮิอสัสวิรตุมินตะอับถ้ามเสสเนี่ยเป็นผู้นําของพวกเราจริงเหมาะสมที่จะมาเป็นผู้นําของพวกเราจริงเนี่ยเขาน่าจะใส่กําไรทองคําเพราะอะไรครับกําไรทองคําเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องประดับของกษัตริย์ในสมัยนั้น ใครที่จะเป็นกษัตริย์ใครที่จะเป็นผู้นําต้องมีต้องมีเ อ, อเครื่องประดับประจําตําแหน่งเอเหมือนเป็นเครื่องบ่งชีว้ว่านี่แหละคือผู้นำกัมพูชามีหรือเป่าไม่ขณะที่ฉันเนี่ยมีหมดทุกอย่างอลยมีทั้งที่มือมีทั้งที่คอมีทั้งตัวเต็มไปหมดอันนี่คนที่ใช้เกณฑ์ดุเน يا, ียก็ใช้เกณฑ์แบบนี้แหละในการตัดสินอูแอะมะฮุลมาลาอิกะตูมุขตารินี ถ้าไม่มีกำไรก็น่า จ, จะมีเทพลงมามีมาลาอิกัสลงมาเป็นเคลื้อนมาเป็นที่ปรึกษามันเปมาเป็นผู้ให้การสักขีพยานเป็นผู้ประกันว่าเออคนนี้เป็นรอสูลจริงๆต่างกันไหมจากคำเรียกร้องของพวกกอรเรชพวกโกเรชก็เหมือนกันแล้วพวกกอรเรชเนี่ยอยากให้มาลาอิกัสมาเป็นรอสูล ทำไมไม่ให้มลายิกัดมาเป็นนบี่ไม่บอกว่าไม่เอาละถ้าสมมติว่ามองแล้วว่าพวกโเรชเนี่ยไม่มีใครที่เหมาะสมไปกว่ามุฮัมมัดมุชลิกีนก็ยังบอกว่าไม่ไม่เอามุฮัมมัดยังไงก็ไม่เอามุฮัมมัดเอามลายิกัดมาดีกว่าว่าเลยิกัดมาอยู่ไม่เอามุฮัมมัดเพราะว่าแม้ว่าจะพิจารณาดูแล้วว่าในพวกโเรชเนี่ยไม่มีใครสักคนที่จะเทียบเท่ามุฮัมมัดได้ในแง่ของการเป็นคนดีมีคุณธรรมยังไม่เอา อยากจะไดะ้ขอให้เทพขอให้มลาอิกัสลงมาเอามาจากไหนคำพูดนี้เอามาจากฟิลอปนี่แหละ้นะพวพุกเปรชชเนี่ยสืบทอดนะวิธีการอ้างในการที่จะเล่นลิ้นเล่นคำปฏิเสธศรัทธาสืาสบทอดมาจากพฤติกรรมของฟิลไม่ได้ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นฟิลนะิะทำไม่ถ้าจะเป็น ถ้าจะเป็นคนที่พิเศษจริงๆมาเป็นผู้นำจริงๆน่าจะมีตราประจาตาแหน่งน่าจะมีมาลาอิกัสม า, าคอยเป็นผู้ดูแลคอยเป็นที่ปรึกษาอันนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยขัสตะขั้วเขมาหูด้วยวิธีการแบบนี้แหละที่เปโรมเล่นกับมันสมองของประชาชนของตัวเองเอาวิธีการแบบนี้พูดวานล้อม แล้วคนที่ไม่มีความรู้อ่ะส่วนใหญ่ที่เขาใช้ว่าหูเบาหัวอ่อนน่าจะมาจากคานี้ปัสตาคัฟะเกวมะหมายถึงว่าคนที่ไม่มีความรู้คนที่จะเหลนเนี่ยคนที่เป็นชาวบ้านทั่วๆไปที่ไม่ค่อยได้สนใจอะไรเวลาที่ใครมาพูดอ่าพูดดีหน่อยพูดอยากจะบอกว่าคล้ายๆกับช่วงหาเสียง แล้วใครที่พูดเก่งหน่อยใครที่ใช้วัฒนทารมณ์ดีหน่อยเอาเชื่อกันไม่พลาดหรอกนะครับนี่คํานี้เลยฟาสคาเต้กันพิราวนี่พูดร้อยเอาไป พ, พูดร้อยนี่คนก็เอาเอาเชื่อก็เชื่อเชื่อแล้วก็ยอมยอมก้มหัวให้กับพิราวนไปจนกระทั่งตลอดไปไม่ยอมปลดต่ไม่ยอมปลดแอกตัวเองออกจากตําน่งของพิราว อินนั ah. rab, ้ม كانواقوم فاسقين แปลถึงแล้วคนเหล่านี้เป็นบรรดาคนที่ฟาสิกินเป็นคนบรรดาคนที่ฟาซิกนั่นก็คือคนที่ห่างไกลจากความเมตตาของ Allah ุบ ح ا ن ه وتعالى อ่ะเห็นภาพหรือยังครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเริ่มต้นจากไหน เริ่มต้นจากส่งโมูสาไปนะมูสาไปกับฮารุนไปด่าว่าฟิร์อาอุมให้อยากจะรู้เรื่องราวนี้ให้มากขึ้นกว่าไปดูเรื่องราวในสุรทุลกัสสกับสุรทุอัชชุอร์มีเรื่องราวที่ละเอียดกว่านี้นะครับที่เล่าทีละฉากทีละฉากเลยกว่าไปเจอกับฟิร์อาอและพูดอะไรบ้างตอบโต้ฟิร์อาอย่างไงบ้างแล้วสุดท้ายฟิร์อาอก็แพ้ จนกระทั่งต้องเรียกบรรดานักมายากลมาเต็มบ้านเต็มเมืองมาสู้กันสุดท้ายนักมายากลก็แพ้อีกแล้วนักมายากลเนี่ยแพ้อย่างเดียวไม่พอประกาศตนเป็นผู้ศรัท ธ, ธาต่อหน้าฟิรเอาเลยแล้วไม่กลัวด้วยฟิร์อาจะทํำยังไงก็ทําไปฉันศรัท ธ, ธาแล้วต่อพระสุบมาณตตะลาจนกระทั่งฟิร์อาต้องประกาศทําสงครามกับมูซ่าขับไล่มูซาและบันีอิสราเอลออกจากอียิปนะครับอ่าพอถึงตอนสุดท้าย سلام أصفون ะและเมื่อคนเหล่านั้นหมายถึงบรรดาฟิรอาอุนและพรกพวกของฟิรอาอุนที่ปฏิเสธการด่า ว, วะของมเซาเนี่ยอาซฟูนะอ่ำให้อัลลอฮฺแต่ลาพิโรธหมายถึงว่าหมดหนทางแล้วจบแค่นี้ละไม่รู้กี่ครั้งละสัญญาณที่หนึ่งมาไม่เอาสัญญาณที่สองมาไม่ นึงไม่ไม่ไม่ศรัทธาต่อสักเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยถึงเวลาที่อัลตัลลาบอกว่าอาสซัฟูนะคนเหล่านี้ทําให้เราโกรธละทําให้เราไม่ไม่ไปต่อกับพวกเขาละอินตะกมนามินฮุมเราก็ได้ลงโทษ ف أ غ ر ق ن ا ه จ أ ج م ع ي. เราได้ทําให้คนเหล่านั้นจมลงใน ทะเลแดงจนหมดสิ้นเลยนี่คือจุดจบของสิราอลนะครับไลามาไลล า, ลาบันิอิสราเอลมูซาที่นำบันิอิสราเอลมาจนถึงทะเลแดงแล้วพอถึงทะเลแดงปุ๊บข้างหลังเป็นกองทัพข้างหน้าเป็นทะเลไปไม่ได้บันิอิสราเอลเองเพอเจอกับเหตุการณ์นี้ถึงกับหมดแรงหมดความรู้สึก ไม่รู้จะเป็นพูดเหมือนกับยอมละอินล่มุรอปูดพูดกับมเสาวันนี้เราจบกันแค่นี้แต่ด้วยมาชะอัลลอฮ์ด้วยความศรัทธาของมเสนะความศรัทธาที่แข็งที่เข้มแข็งของมเสาโมเสบอกว่าย่งไงกัลลออินนะมะียาอับีซียฮ์ดฉันมีอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยูกับฉันอัลล์แต่ละจะเป็นผู้บอกทางแก่ฉันว่าจะต้องทำยังไง ต้าแล้วตัดลาโก้สั่งให้มูซาเอาไม้เท้าตีทะเลแล้วน้ําก็แยกออกมาฟิร์เอาเนี่ยดูควาความงงเง่าของฟิร์เอาแล้วก็พวกประชาชนนึกว่าตัวเองนี่สามารถจะผ่านทะเลแดงนี้ไปได้ก็เลยตามมูซาไปจนกระทั่งมูซากับพวกอิสราเอลปนไปแล้วตัตอลาโก็เอาทะเลกลับคืนมาไม่สามารถที่จะกลับขึ้นฝั่งได้ทันกต่อไปอันนี้คือ คนรับสุดท้ายหรือบานปลายสุดท้ายของฟิรอาวนฟ้จะเอลนาหุมซลล์ฟันเราได้ทำให้คนเหล่านี้ก็คือพวกฟิรอาวนและพวกที่จมน้ำเนี่ยเป็นเซลลฟันเป็นตัวอย่างเป็นอดีต ท, ที่ให้คนรุ่นหลังได้ใช้เป็นบทเรียนคำว่าเซลลเนี่ยมันมีทั้งดีแล้วไม่ดี ซาลาฟันตรงนี na, ้เนี na, r r wa, ่ยเป็นซลาฟที่ไม่ดีหมายถึงตัวอย่างที่ไม่ดีอดีตที่ไม่ดีส่วนเราที่เราเรียกว่าเราต้องตามซลาฟก็คือซลาฟที่ดีอัซลาฟุลหที่เราเรียกว่าซลาฟลหซลาฟลหเนี่ยไม่ใช่ซลาฟตรงนี้นะไม่ใช่ซาลาฟในอายนี้อัซลาฟุลหหมายถึงบรรดา ص บรรดาตบอนบรรดาตบต